การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรพึงทรางเสียก่นว่าสมาธิแบ่งได้เป็นสองคือโลคิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรสมาธินั้นสงงคล้อเข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพระเหตุนั้น เราจะไม่มุ่งเอามรรคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนหนึ่งต่างหากว่ามรรคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างในอย่างนี้ส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลเกีนกยนี้ใดโลเกียสมาธินั้นอันพระโยคาวจรผู้อย่างศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริพลดิสประการปริพลดายของเธอมีอยู่จากปริโพลดังเสีแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้ธรรมฐาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอาครมฐานสี่สิบข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุกูลแก่จรยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะตัดความกังวลเล็กๆ น, น้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทำภาวนาพิธีทั้งพวงให้บกพร่องไปเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเขตในในการเจริญสมาธินั้น บรรดาปริพโคสิทธิประการปริโคสใดของเธอมีอยู่ตัดปริโคสนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวล น, นั้นคืออาวาสตระกูลลาศคณะและการงานเป็นที่หาการเดินทางยากอาพาธการเล่าเรียนและลิดรวมเป็นสิทธิ์เครื่องกังวลสิทธนี้แลชื่อว่าปริโคทอาวาสปริพโคท แม่ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาว่าแม้บริเวณบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาว่าแม้สังคาราณทั้งหมดก็เรียกว่าอาว่าอาวาานี้นั้นหาเป็นปริพเทต่อพิสุทั้งปวงไปไม่ก็แต่พิสุใดต้องขวนขวายในการงานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาว่านั้นก็ดีมีการสังสมสิ่งของไว้มากในอาวาานั้นก็ดีมีความอาไย ใจผูกพันอยู่ในอหวานนั้นด้วยเหตุใจเหตุหนึ่งก็ดีแหวานนั้นจึงเป็นปริโพศสําหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิทัศนะในความที่อหวว่าไม่เป็นปริโพศนั้นมีเรื่องเล่าว่ากลุบวชสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัดถูฟารามก่นประชิดสองรูปนั้น รูปหนึ่งเรียนมาติกาได้หล่องสา ม, มาติกาเป็นผู้มีัาษาครบค่ากวรณาแล้วไปสู่ช น, ชนบทชื่อปาจีนขันทราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปา ร, รามนั้นรูปที่ไปปาจีนขันทราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นรเทเถระและคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเล่นอยู่มาเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สาหายด้วยเถิด แล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามพระเถระผู้รูมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับป่าจีวอน ท, อ า, น า, ทาอาคันตุกะวัดพระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่ากระเดียสาขายของเราจะต้องส่งในสายหรือน้ำอ้อยหรือน้ำปานะมาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้ แต่ค อ, อยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจึงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวต้มและกลับที่พวกอุปถาสมมาให้เราละแม้ข้าวต้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจึงคิดต่อไปว่าเออนะของส่งมามไม่มีพวกอุปถาคงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบินถวายสมังตกลง เข้ากรงเพื่อบินทบาตรกับพระเทวราชินีนั้งแต่เชา้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มกระบวยเดียวก็ไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงแบบนั้นท่านพันตุ ก, กะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวต้มประจำทีจะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประนีละ่ะแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวย ท่านพลเอกชันอาหารที่ไปยินธบตัตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามท่านว่าท่านผู้เจริญท่าเลี้ยงอันดาภาพมาอย่างนี้ตลอดการหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกฝากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทป่าจีนขันธราชีเป็นที่พาสุกเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไฟก็ออกจากเร้านครทางประตูด้านใต้ เดินไปตามทางที่จะเป็นหมู่บ้านช่างมอนเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดเสก่อนพระอาคันตุกะจึงทวงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าพระเถระล่าว่าอาวูโซ่ท่านกล่าวสรรเสริญชนบทปาจีนขันธราชีนี่เฉลยจะไปชนบทนั่นก็ต้องเดินไปทางนี้น่ะสิท่านอาคันตุกะประหลาดใจที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจึงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้ อธิเรศบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกเลยสารรับว่าจ้าอาวุโสเตียงกัางที่เราใช้ก็เป็นของสงเราก็เก็บมันเรียบร้อยแล้วของอะไรอะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จำเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอาจานยุกา่าบอกว่าแต่ไม่เท่าและกระบอกน้ำมันรองเท้ากรอกบาทของกระผมยังอยู่นั่นสเถระว่าอาวุโสท่านมาพักอยู่วันเดียว ยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเดียวนะท่านอาค า, ารตุกะเขาก็าอย่างนั้นมีจิตเลื่อมสายไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสําหรับพิสุยอย่างท่านอรัญยวาคือการอยู่อย่างอยู่ฝ่าย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูฝารามเป็นที่บรรจุพระท่านของพระพุทธเจ้ า, ยาสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัพพายะในโลหะปราสาท ได้ชมพระมหาเจดีย์และได้พบครับผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธการขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาจีวรกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวะย่อมไม่เป็นปริโภศสำหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนีแหลคกุลละปริพศกระกุล ญ, ญาตก็ดี ตระกูลอุปถาก็ดีชื่อว่ากุละจริงอยู่สำหรับพิสุบางรูปผู้อยู่คุกคีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุขก็สุขด้วยดังนี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถากกเป็นกริภอดได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติเล่าพิสุเช่นนั้นจะพ่าจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้ สำหรับภิกษุลางรูปแม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริพศไม่ดังเช่นภิกษุหนุ่มผู้หลานของพระติสเถระผู้อยู่ณโครันทตะวิหารมีเรื่องเล่าว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นไดล้ไปโรหณชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอบาสิกายมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่างไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรำคาญคิดว่า จะต้องไปนําพิสุนุ่มกลับมาสักทีจึงออกเดินมุ่งหน้าไปโรห a n ชนบทข้างที่สุนุมก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาขนาดแล้ววัดนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุบายะและทราบข่าวอุบาสิกาแล้วค่อยกลับมาห น, นังนี้แล้วก็ออกจากโรห a ชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งพิษุนุ่มนั้นก็ทําอุบายวัดแด่พระพิเถระที่คนไม้ต้นหนึ่ง ท่านถามว่าจะไปไหนก็เรียงความทิกิจนั้นให้ทราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทําดีแล้วแม่อุบาสิกาก็อถามถึงเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉัรมานี่ก็เพื่อวความกลับไปของเธอนั่นแหละเธอไปเถิดส่วนฉันจะจำกระพับกรรมสานี้ในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในสินี้ละ่ะอย่างนี้แล้วส่งพี่สุหนุ่มนั่นไปเธอไปถึงโกรันทกะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดี เสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยงผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครันวันรุ่งขึ้นจากวันขบรรษาโยงผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะขาประกาศว่าท่านเจ้าข้าแสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครจะยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหวแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสำหรับภิกษุผู้ขบัรษาในเสนาสนะของข้าพเจ้า มีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอสักถามว่าวัดว่าอะไรท่านอุบาสกโยู้ชายจะบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิษสาที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดปลายมากประการหนึ่งภรณาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยโดุจเสนีภาพฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกบาสิกาว่า พระคุณท่านอาการุกรูปหนึ่งเข้าภาษาในอวายาของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาก็รับคำว่าสาธุแล้วให้แจกขาเทียนยะโพเทียนยะอันตรนิยตไว้ข้าพิสุหนุ่มถึงเวลาสามก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจําเธอได้สักคนเธอฉันบินทบาทที่เรือนนั้นจําภาษาจนตลอดไกลมากแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่า พรุ่งนี้ค่อยไปเถอดเจ้าข้ากว่นรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่เรือนนั้นแล้วเติมน้ำมันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกยายาวข้าวศอกผืนหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุงหน้าไปโรหณะชนบทฝ่ายพระอุปัชฌาย์ของเธอปรราณาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอใน ท, ที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระเถระแล้วได้ทำอุปัชฌายวั แด่พระเถระที่คนไม้แห่งหนึ่งเช่นเคยครรนแล้วพระเถระถามถธอว่าอย่างไรพ่อพัตรมุกภูมิหน้าแข็งเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งกวงถวายทาเท้าของของพระเถระด้วยน้ำมันนั้นทําปานะด้วยน้ําอ้อยถวายถวายผ้าซาดกผืนนั้นแหละแด่พระเถระ ไหวแล้วเรียนว่าโร h a n ชนบทเท่านั้นเป็นที่สับปายสำหรับผมขอรับแล้วก็ลาไฟข้างพระเถระเข้ามาสู่โกรันทกาวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกาคามฝ่ายอุบาชิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋นี้ละก็เฝ้ายืนมองหนทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสําคัญเอว่า เทลอยบุดของตัวตาเชีล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็พบลงร้องไห้คร่ำครวญอยู่แท้ท่าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าพิสุหนุ่มาแล้วไม่เห้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไปเสียแล้วลสินอจึงปลอกนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าเ ป, ประพฤติเถต ท, ทั้งปวงให้ฟังแล้วนําผ้าสาดอกผืนนั้นออกจากตลกบาตแสดงให้เห็นเป็นขยาน อุบาศิกาสรางความจียงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางทิศที่พระลูกชายฝ่ายพังภ้ากรงนำ้ำมัสการฟทางกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะทรงทรรมภิกษุผู้เช่นดังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นถูพยานตรัสรถวินีตะปฏิบทาตรัสปฏิบธาสวัตตะปฏิบท า, บาและมหาอริยวงปฏิบธา อันแสดงความสันโดษด้วยภัสกัายสีและความยินดีในภาวนาน่าส่นเสริมแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล่าวแท้แท้ถึงสามเดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออจชริยมนุษย์สำหรับเพิกสุขผู้มีจิตไม่จิตข้องอย่างนี้แหลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นปริพ์ใหม่จะกล่าวยายถึงตระกูลอุปถาอื่นด้วยประการชนี ลาบผลิพภดปัจจัยสีชื่อวันลาถามว่าปัจจัยสีนั้นเป็นผลิโภดได้อย่างไรแก่ว่าก็นในที่ที่ฟิกสูผู้มีบุญไปคนทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเธอโมอันโมธนางดแสดงทรามเก่คนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทำสมณธรรมตั้งแต่อรณุณขึ้นจนถึงปถมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนไม่ได้ขาดสายซ้ำตอนเช้ามืดเล่า โคพสโสผู้ถือบินทบาตเป็นวัตประเภทพาหุละิกะคือมากๆากเลยผัจัยก็พากันมาบอกว่าท่านผูดเ จ, จเริญว า, าศุกนนอุบาสิกานนท์อมัดโนทนผุดอมาดโนท์ธิดาอมาดโนทนใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิโสเ ด, ดังนั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ทองโคนขวายในการสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เป็นนิด ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นผลิโภูตต่อภิกษุนั้นดังนี้อันภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจะริษกแต่ผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริโภูตทั้งเสียได้คณะผลิโภูตคณะภิกษุผู้เรียนพระสวดก็ดีคณะภิกษุผู้เรียนพระอภิธรรมก็ดีชื่อว่าคณะภิกษุได้มัวให้อุเทศบ้างผลิภูช้าบ้างแก่คณะนั้น ย่อมไมด้โอกาสสาหรับสมณธรรมคณะจริงเป็นปริโพโทดตอบพิสุนั้นคณะปริพโทนั้นเธอพึงตัดเสียด้วยวายทางสอบไปนี้ถ้างานเรียนของพิสุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทำงานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าฝ่าไปเฉยเฉดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมอื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปใจเลยหนึ่งยอด เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสนักอยู่ภายในที่กำนหนดหน่งโยศขอร้องให้ท่านช่วยสงเคราะห์พิสูจในคณะของตนด้วยสังหาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ก็เพึงบอกพิสูจเหล่านั้นว่าอาวโุโสทั้งหลายจิตอย่างหนึ่งของเขาจะไมีอยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทำ ง, งานของตนเถิด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 างานเหลือน้อยพึงทำเสียจให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงศัยพึงมอบหมายแก่สงหรือแก่ภิกษุผู้นําภาระในสังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นําภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นําภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงแล้วไปเถิดอัฏฐานะปริโพุน์การเดินทางชื่อว่าอัฏฐานะ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 แล้วจึงทำวามขวนขวายในสมณธรรมเถิดญาติปริพุทบุคคลทั้งหลายที่จำต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปัชฌายะสัิวิหาริศอันเทวาสิกพิสุรุ่มอุปัชฌายะพิสุรุวมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเนต้นที่ว่าญาติ บุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นบริโภคแก่พิสุนี้เพราะเหตุนี้บริโภ ث นั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปถากต์ทำบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระประชายะเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงตนนิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถอพระบรรพชาอาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สัตวิหาริคอันเทวสิกที่ตนสวดธรรมวาจาให้ประสมบทและให้บรรบชา และพิสุร่วมอุปชัยยะเป็นไข่ก็พึงตรนิบัติอย่างอุปชัยยะนั้นเถิดส่วนพระนิสยาจารณ์พระอุเทศอาจารย์นิสยันเจวาสิทุเทศันเสวาสิทพิสิทและพิสุร่วมอาจารย์พึงตรนิบัติเพียงที่มีสายและอุเทศจะไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรตรนิบัติต่อไปอีกแค่ในมารดาธิดาพึงปรนิบัติเหมือนหยุดเหมือนในอุปชัยยะเถิด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 รดะฉะนั้นทํายาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่ำควร อ, อาพาธปริโพเทโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเดียดเดียนเอาจึงชื่อว่ า, าปริโพเทโรคเหตุ น, ตนั้นพึงตัดเนื้เสียด้วยการทํราเทศศัตร์แต่ถ้าแม้เมื่อพิสูจน์ทำเทศศัตร์รัษ า, าอยู่สองสามวันอาพาธไมส่สงบใจก็พึงติดเทียนอธิภาว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้า ก็ข้าเรียกเจ้านี้แหละจึงได้รับทุกในสังสารวัตรอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะทำเถิดคันถะดบริพการบริหารประยัดที่ว่าคันถัดการบริหารประยัดนั้นย่อมเป็นบริพ وث แก่พิสุผู้ขวนขวาอยู่เป็นนิดด้วยกิจมีทานสาทะยาเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นบริพ وث แต่พิสุนอกนี้คือผู้มาดีขวนขวายไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันธะไม่เป็นปริโภคสําหรับภิกษุผู้ไม่ขวนกวายและยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชชิมะพานกะคือส่วนมัชชิมะิีกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลายขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาโโุโยชท่านเป็นผู้ใล่ยขนาดไหนในประยัดพระมัชชิมะพานกะตอบว่า ท่านผูเจริญมัชฌิมนิกายเข้าไปจ่วยชำนาญพระเถระกล่าวว่าอาวุโสอันมัชฌิมานิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปัปณาสกามัชฌิมปนาสกนนาส ก, ก็มาคระสาธยายมัชฌิมปัณ น, นาสก่าเล่าอุปปริปัณาสกาก็มาปนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเชท น, นั้นที่ไหนคำมัธฐานจะมีแก่ท่านไดเล่า พระมัชิมาภาณะปฏิญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐ า, านในสำนักของพระคุณท่านแล้วจักไม่เดียวแลคันถานั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐ า, านไปทาความเพียรไม่ได้ทำการสาธยาถึงสิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบได้ไรุลพระอรหันต์